ที่ชื่อว่ารู้คือรู้ว่าเป็นภิกษุผู้เท่ารู้ว่าเป็นภิกษุผู้เป็นไข้หรือรู้ว่าเป็นภิกษุที่สงมอบวิหารให้คําว่าเข้าไปแทรกแซงคือเข้าไปเบียดเสียดคําว่านอนความว่าภิกษุปูไว้หรือใช้ให้ปูที่นอนไว้ในอุปจาร์เตียงตังหรือประตูเข้าออกต้องอบัตทุกกดภิกษุนั่งหรือนอนต้องอบัตปาจิตตีคาว่าประสงค์เพียงเท่านี้ ความว่าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นในการเข้าไปนอนแทรกแซง